50 languages. กการตั้งคาถามเรเรียนนักเรียนเรียนมากไหม மாணவர்கள் நிறைய கக்கின்றார்களா? ไม่พวกเขาเรียนนย้อย இல்லை கொஞ்சம்தான் கற்க்கிறார்கள் ถาม கேட்பது คุณถามคำถามคุณครูบ่อยหั้อ ச ி ர ி ய ர ை நீங்கள் அடிக்கடி கேள்விகள் கேட்பதுண்டா? ไม่ค่ะ ดิฉันถามท่านไม่บ่อยยิลลนเลยนนอาวเรยอดีกคดีเคลวิขัลเคทปะดิเลยตอบกลับบัดลสอลวดุช่วยตอบกลับด้วยค่ะได้บ๊ะเสดบัดลสอลบุมดิฉันตอบกลับนนบัดลอลิกีเรน ทำงานเวเล่เซิดเขากาลังทางานอยู่ใช่ไหมอาวันยี่ปุระด้เวเล่เซิดคนดีริกีร้นนใช่ค่ะเขากาลังทางานอยู่ อ, عم, อ๋ออวนยี่ปุระเวเล่ซิดคนดีริกร้นมาบริบบ คุณจะมาไหมนิงกัลวันรกรีรเกลอค่ะเรากำลังจะมาเร็วๆนี้ออมน้องกัลซีคิรัมวันฮิโรอยู่วสิ ป, ปดัดคุณอยู่เบอร์ลินใช่ไหมคะนิงกัลเบอร์ลินิลวสสิครีรเกลอ ค่ะดิฉันอยู่ในเบอร์ลินอ๋อนอนเบอร์ลินิลวสิกกเรน